บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเรื่องของอภิชาคือความไม่รู้นั้นเป็นรากง่าวที่มาของสัพพกิเลสทั้งหลายในโลกนี้มีคนมากราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า โลกคือหมูสัตว์อันอะไรปิดบังไว้จึงหลงดุดอยู่ในที่มืดเราสั่งตอบว่าโลกคือหมูสัตว์อันวิชาปิดบังไว้จึงหลงดุดอยู่ในที่มืดเป็นภาพของความมืดแต่เรามีสัมผัสตรงในชีวิตประจำวันเห็นด้ว่าในจุดใดในขณะใดที่เราอยู่ท่ามกลางความมืขดขณะนั้นจะยุ่งยากลําบากมาก นอกจากว่านั่งเฉยๆนอนเฉยๆยืนเฉยๆแต่ถ้าจะขยับเขยื้อนอะไรแล้วจะมีปัญหาตามมาเพราะอะไรเพราะเราไม่เห็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราถ้าความมืดเริ่ม จ, จางลงในการเคลื่อนไหวค่อยดีขึ้นค่อยสะดวกขึ้นแต่ยังมีความเสี่ยงอยู่สูงแต่ถ้าหากว่แสงสว่างปรากฏเต็มที่ในที่นั้น การจะเคลื่อนไหวจะทําอะไรจะหยิบจะช่วยอะไรก็คร่องแคล่วออว่องไวภาพเหล่านี้เป็นภาพที่เราเห็นได้แม้ในเรื่องเดือดๆหรือว่าจะเป็นการรับประทานอาหารหรือการจะไปในสถานที่ใดก็ตามแต่เราขาดความรู้ในช่วงแรกก็จะเกิดความไม่แน่ใจเกิดความเคลือแคลงสงสัยแล้ถ้าขืนทําไปทั้งๆ ท, ที่ใจยังเครือบแคลงสงสัยอยู่ก็จะมีความเสี่ยงสูง โอกาสที่จะประสบอันตรายโอกาสที่จะประสบกับพิษภัยต่างๆมันจะมีได้ไง่ายเพราะแนวธรรมะปฏิบัติทั้งหลายไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรก็ตามไปมุ่งที่ขจัดตัวอวิชชาเป็นประการสาคัญเพราะแม้จะมีการพูดในเรื่องอื่นๆเช่นเราพูดเรื่องความโลภพูดเรื่องความกาหนัดพูดเรื่องความโกรธพูดเรื่องความริษยาความแข็งดีความถือตัวความสนีเป็นต้น ถ้าเราถามใจลึกๆแล้วก็จะเห็นว่าการที่อาการเหล่านั้นเกิดขึ้นภายในจิตก็แสดงว่าจิตเรานั้นมีความไม่รู้ที่เรียกว่าไม่รู้เห็นตามความเป็นจิตจุแต่ถ้าพอความรู้เห็นมันเกิดขึ้นสักระดับหนึ่งแนวอากาศที่เรียกว่าสว่างพอสมควรสิ่งเหล่านี้จะถูกควบคุมออกไ้ แม้ความโลภเองจะไม่ถึงกับหมดไปจะกจิตใจแต่ก็จะระลึกรู้ทันว่าอะไรควรโลภหรือไม่ควรโลภองน้อยที่สุดจะคุมจิตตัวเองเอาไว้ไม่ให้โลภอยากได้ของของบุคคลอื่นในทางที่ไม่ชอบทมแต่ในกรณีที่ใจยังมีความโลภอยู่มนจะมีการสแสวงหาการใช้ความเพียรพยายามในทางที่ชอบที่ควร ซึ่งการดําเนินชีวิตแนวนี้มันก็เป็นทางด้านด้านมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเพียงแต่ว่าไม่ไปถึงนิพพานสมบัติเท่านั้นเองก็แสดงว่ากระแสของความโลภนั้นยังท่วมทับจิตใจของบุคคลไปโดยลำรับจนถึงเป็นพระนาคามีจึงจะตัดความรู้สึกส่วนนี้ออกไปได้นั่นก็แสดงว่าถ้าเราคุมได้มันก็ไม่มีอะไรรุนแรงมากนะัก ตำนองคล้ายๆกับเราเดินไปในสถานที่แม้จะไม่สว่างทั้งหมดแต่เราเดินได้ปลอดภัยปลอดอันตรายเพิ่งเพิงในเรื่องของความโกรธนั้นผู้สังเกตว่าตามปกติแล้วเราจะโกรธในตักคนแต่ความเดือดร้อนแทนที่จะอยู่ที่เขามันอยู่ที่เราความโกรธเกิดขึ้นภายในใจมันก็เผาหลนใจเราสร้างความเลวร้อน ความกระสับกระส่ายให้ปรากฏภายในใจปรากฏนั้นเขาโกรธตอบเขาเดือดร้อนเพราะความโกรธของเขาเองถ้าเขาไม่โกรธตอบเขาก็ไม่เดือดร้อนเพราะความโกรธของเขาหรือเพราะความโกรธของเราพระเจ้ญญาจึงทรงสแสดงให้บุคคลมองเห็นโทษว่าความโกรธนั้นเหมือนกับผู้ฆ่าผู้ทํำลายผู้จับกุมถามว่าจับกลุมใครก็จับกุมใจคนที่โกรธนั่นเอง พอปัญญาเกิดขึ้นสวดสบพิตติจนาเห็นโทษของความโกรธอย่างน้อยมันก็เว้นคนที่ควรโกรธเว้นคนที่ไม่ควรโกรธออกไปได้มากๆถึงแต่เราดูลักษณะของอวิชามากๆคนเราโกรธบางครั้งแม้แต่ดูโทรทัศน์มันก็โกรธภาพเหล่านั้นที่ปรากฏทางโทรทัศน์ได้ตัง้งๆ ท, ที่ภาพเราดันที่จริงก็เป็นคลื่นแสงแต่นั่นเอง รธไปเขาก็ไม่รู้เขาไม่เดือดร้อนอะไรพางทีเราโกรธฝนตกแดดออกน้ําท่วมน้ำหลักโกรธแม้แต่สิ่งที่ไม่มีชีวิตนั้นแสดงให้เห็นถึงสภาพจิตที่มีอวิชชาอยู่มากโกรธสิ่งเหล่านั้นจะได้อะไรจะแก้ไขอะไรได้โกรธสิ่งโนนนั้นเขาไม่รับรู้ความโกรธเราก็เป็นการเพิ่มปัญหาให้แก่เราเอง เพราะันพอปัญญามันเกิดขึ้นมันลดอวิชชาลงไปอย่างน้อยก็ไม่โกรธแนวเสลีปป่ยเปะอย่างนี้ไม่โกรธแม้ในสัตาาติระชาเพราะสัตาาติระชานั้นเป็นสัตว์ที่ไร้เดียงสาการมองจากจุดของความไร้เดียงสาความไม่รับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นเอง ที่พี่เจ้สงสอนให้มองในแนวของธรรมชาติธรรมดาที่ใช้คําสั้นๆประต่า ๆ, ๆคือมันเป็นอย่างที่มันเป็นเช่นสุนัข ก, ก็มีการเหา่ามีการหอนมีการฟัดกันมีการต่อสู้กันก็ไม่มีเวลาเวลาอะไรเขาก็เป็นเขาอย่างนั้นสุนัขทั้งหลายทั่วโลกเขาก็เป็นเขาอย่างนั้นเป็นธรรมชาติของสัตว์เราไปอยู่ในป่าเจอสัตว์เขาร้องมีจิ้งหรีดมีเรไรร้อง มีนกยูงร้องมีสัตว์ร้องก็ไม่เป็นเวลาเวลาเหมือนกันนั่นก็คือธรรมชาติของเขาปัญญาที่เกิดขึ้นมองในแง่ว่ามันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นไปหยุดโทสะในสัตว์ไว้ได้แยกใจจากการไปเอื้อมรับรู้ไปวุ่นวายกับพฤติกรรมทั้งหลายของสัตว์จนถึงก็เรื่องของคน เราเหนว่าเมื่อใจเรามีเหตุผลมีสติปัญญามีภูมิธรรมสูงขึ้นคนที่เราโกรธที่จริงคนที่เกี่ยวข้องกับเราคนที่ใกล้ชิดกับเราเราไม่ไปโกรธคนที่เราไม่รู้จักคนต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยเกี่ยวข้องอะไรกับเขาเราก็ไม่โกรธรอะเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นอาจจะมองถึงตัวโทษของความโกรธเอง เราก็ลดละบรเทาความโกรธหรือมองในตัวคนที่เราจะโกรธท่านผู้นี้เป็นผู้ใหญ่เป็นบุปการีที่สันวนทางศาสนาท่านใช้คำว่ากุลเชษต์เมื่อวานนั้นเป็นวันแห่งครอบครัวกุลเชษต์ก็คือผู้ใหญ่ภายในครอบครัวบางทีเรตีความับว่าครอบครัวว่าคือพ่อแม่ลูกที่จริงไม่ใช่ครอบครัวคือสถาบัน มีบุคคลอาจจะมีถึงสี่ห้าชั้นหกชั้นถ้าผู้เฒ่าอายุยืนผู้เฒ่าอายุถึงแปดสบเกบก็อาจจะมีถึงเหล่นถึงดื้อได้ก็แสดงว่าคนในครอบครัวมีตั้งห้ากชั้นแล้วที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวจะ อ, อยู่ในส่วนต่างๆของประเทศก็ถือว่าเป็นเรื่องของครอบครัวในครอบครัวนั้นคนระดับบนที่เรียกว่ากุลเชษคือผู้ใหญ่ภายในครอบครัว ตั้งแด่พี่เราขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเราก็บรรเทาความโกรธได้เพราะถือว่าท่านเป็นกุลเชษฐ์ภายในครอบครัวภายในสกุลคนที่เป็นอนุชนคือรุ่นนอ้องลงไปก็ไม่ถือสาหาความให้อภัยอาศัยความรักความเมตตามไม่โกรธไม่เกลียดไม่ริษยาไม่แข่งดีกับผู้ที่เป็นอนุชนก็สามารถทําตนให้สงบเย็นอยู่ภายในครอบครัวได้ทั้งๆ ท, ท, ที่ยังมีอวิชชาอยู่ แต่ว่าความโกรธนั้นได้ถูกควบคุมไว้โดยอาศัยกุศลสัมพันธ์คือความผูกพันเกี่ยวข้องกับทางสายสกุลอาศัยความเคารพเป็นพื้นฐานสําหรับผู้ใหญ่ในสกุลอาศัยความรักความเมตตาเป็นพื้นฐานสำหรับผู้น้อยภายในสกุลก็ทําให้จิตใจสงบเป็นหรือความริษยา ความริษยานั้นพึงสังเกตว่าเราริษยาในตักคนแต่ความริษยาที่จริงมันมีความสืบเนี่ยหมายความเาถ้าคนนั้นเรารักเราเคารพเรานับถือเราศรัทธาเราไม่ริษยาแต่จะชื่นชมยินดีเมื่อท่านประสบอิทธิผลที่ท่านต้องการท่านได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญได้รับความสุขเราจะชื่นชมยินดีแสดงว่าเรามี ม, มีมุทิตาเป็นพื้นฐานได้อยู่แล้ว มุติตาตัวนี้มันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากความเคารพเกิดมาจากความรักเกิดมาจากความศรัทธาเกิดมาจากความนับถือความจงรักภักดีใครก็าตามที่เรามีความรู้สึกอย่างนี้เราไม่ริษยาแต่จุดนี้ท่านทัศาชนทั้งหลายเห็นว่าเราแก้ปัญหาภายในครอบครัวได้คือไม่ริษยากันภายในครอบครัวภายในสกุลวงเพราะอะไรเพราะคนรุ่นใหญ่กว่าเราเราให้ความเคารพนับถือ รุ่นเด็กกว่าเราเราให้ความรักความเมตตาพอท่านเหล่านั้นได้ประสบความสาเร็จความเจริญก็ได้เราก็เกิดมมจิตาเขินมาก็กจะจายริษยาไปได้พ้าอย่างนั้นความริษยาเกิดแก่ใครเกิดเพราะใครเราจะเห็นว่าเกิดเพราะคนอื่นที่เราไม่ชอบก็แสดงว่าพื้นฐานของโทสะมันมีอยู่ในตัวคนนั้น แล้วเขาได้สิ่งที่เราอยากได้เขาได้ลาบที่เราอยากได้เองเขาได้ยศที่เราอยากได้เองเขาได้สันเสริญที่เราอยากได้เองเ็าได้ความสุขที่เราอยากได้เสียเองแล้วพอดีเขาได้เราไม่ชอบถามว่าทำไมไม่ชอบเพราะเราอยากได้เสียเองเท่านั้นเพราะเขาได้เราก็เกิดโทสะตรงนี้ต้าหากกวิชามันเกิดขึ้นพิจารณาวิเคราะห์วินิจฉัยว่าเขาเป็นใครเขาได้อะไรเขาได้มาเพราะอะไร ทำไมเขาจึงได้มัน ม, มีการได้อะไรลอยๆไม่เรื่องไม่ใช่เรื่องของการประสิทธิ์ประสาทหรือว่าทองตกลงมาจากฟ้า้าแต่ผลทั้งหลายเหล่านั้นมันล้วนแล้วจะเกิดไปจากเหตุเพราะงั้นก็แสดงว่าเขาสร้างเหตุดีผลดีก็เกิดขึ้นกับเขาแทนที่เราจะไปริษยาเขาเราจะถือเขาเป็นแนวในการดําเนินชีวิต เราต้องการผลเช่นเดียวกันเราก็ศึกษาการสร้างเหตุของเขาแล้วก็ทําเหตุอย่างเดียวกับเขาในสุดผลเราก็ได้ผลนราดันซึ่งหมายความว่าตัวเหตุที่เราสร้างจะต้องอยู่ในระดับใกลเคียงกันหรือว่าทัดเทียมกันก็ทําให้เข้าใจกฎของเหตุผลสิ่งที่เราต้องการได้เราก็ได้แต่ช้าหน่อยแล้วไม่จะเป็นจะต้องไปโกรธใคร ใจเองก็จะเกิดมุทิตาอย่างน้อยก็เ บ, บิกขาจะเบกขาก็ตามมุทิตาก็ตามใจมันก็เย็นแต่ใจริษยาใจมันก็ร้อนรู้ความแข่งดีมันก็มีลักษณะอย่างนั้นคือเราเห็นคนอื่นเขาเจริญก้าวหน้าดีกว่าเราเราก็เกิดอาการแข่งดีไอแข่งดีที่จริงถ้าแข่งกันทาดีเขาก็ไม่หวาด แต่แข่งดีในแนวที่เป็นอุปกิเรตนั้นก็คือความรู้สึกที่ต้องการทำลายคนซึ่งเราเห็นว่าดีกว่าเราเราจะเอาสิทธิผลประโยชน์ต่างๆที่คนเหล่านั้นพึงได้พึงมีพึงถึงเสียเองเราจะยังเห็นอาการของโลภอาการของโทสะอาการของโมหะปรากฏอยู่ภายในใจปัญญาก็เกิดขึ้นดัชนวินิจฉัยในจุดนี้ มองเห็นโทษของความแข็งดีมองเห็นความดีของคนที่เขาประสบความดีเราก็ต้องการผลอย่างนั้นมันก็ศึกษาไปในแนวเดียวกันดังนั้นปัญหาการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาถ้าบุคคลมีปัญญาแล้วปัญญาคือแสงสว่างวิชาก็คือความมืด หมาความมีวิชาคือแสงสว่างแล้วความมืดด้วยอำนาจของวิชาก็ลดพอลดลงไปคนสามารถจะหาประโยชน์ได้ทุกเรื่องที่มาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเราลองสังเกตการสแสวงหาทางศัตรูของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของอวิชชาที่ลดลงไปมากแสงสว่างชัดเจนพอสมควร ทำให้พระองค์หาประโยชน์ได้ทุกเรื่องแรงผลักดันที่ก่อให้เกิดการเสด็จออกผนวดมันก็มีอยู่สองสามเรื่องเรื่องแรกก็คือการที่ไปเห็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งมีการพลัดพรากสูญเสียล้มตายคนนอกนั้นก็ร้องคมร้องรอง้รองให้ปริเวธนาการคำควรไปด้วยประการต่าง แม้ผอศพไปแล้วก็ยังร้องไห้กันด้วยเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของอีกาที่แย่งชิ้นเนื้อกันตัวที่ครอบครองชิ้นเนื้อถูกเพื่อนไล่ทุกติไล่จิกติจากหนึ่งตัวเป็นสองตัวกลายเป็นเรื่องการรุมเพื่อแย่งอาหารอีกาที่ข้าอาหารอยู่สู้ไม่ได้ก็ต้องอ้าปากเพื่อจิกตอบอาหารก็หลด พอหันหล่นแทนที่อีกาสองตัวจะรุมจิกไม่รุมจิกแล้วก็บินแยกย้ายกันไปสุนัขข้างล่างไปเห็นชิ้นเนื้อนั้นข้าวก็เกิดงับต้องการจะกินเพื่อนเห็นข้าวก็มาแย่งก็ฟาดกันบัดเจ็บกันไปตามๆกันทั้งหตัวทั้งสองประเภทของสัตว์ดีงเพราะชิ้นเนื้อเล็กๆก็ทรงมองเห็นว่าโลกนั้นมียื้อแย่งวัตถุกรรมกัน แย่งกันโจดบาดจนบาดเจ็บล้มตายแล้วในที่สุดสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นสิ่งที่ต้องทิ้งไว้ในโลกคือแย่งสิ่งที่ตัวเองเอาไปไม่ได้ก็ทําให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าธรรมสังเวชคือสลดใจเพราะทาไมมนุษย์จะต้องอยู่กันอย่างนี้จะต้องเบียดเบียนประทุษร้ายกันอย่างนี้แล้วจบลงด้วยการไม่มีใครได้อะไรจากนั้นก็มองเห็นกระบวนการของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับความแก่ความเจ็บความตายที่คนแก่คนเจ็บคนตาย ให้ลองสังเกตว่าพระพุทธเจ้าเริ่มเจ้าชาติตะถานั้นเริ่มจากคนแก่คนเจ็บคนตายแต่ดูที่ตัวความแก่ความเจ็บความตายที่ปรากฏที่คนเวลาพูดถึงทุกข์จึงไม่ได้พูดถึงคนแก่คนเจ็บคนตายว่าเป็นทุกข์แต่พูดถึงความแก่ความเจ็บความตายว่าเป็นทุกข์หมายความสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นแก่ใครที่ไหนเมื่อไร่มันก็แสดงความทุกข์ออกมาทันทีคล้ายๆกับไฟมันร้อน มันไปเกิดตรงไหนมันทำความร้อนตรงนั้นทุกทีน้ำมันเย็นไปเจอตรงไหนก็ทำให้สิ่งโด่นนั้นเย็นลักษณะของสภาวธรรมเหล่านี้ก็จะเป็นเช่นนั้นมาความตัวความเกิดความแก่ความตายไปเกิดที่ใครคนนั้นก็แก่ก็เจ็บกาตายไม่ไว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของก็ตามก็มองเห็นความเป็นสากลความเสมอการของสัตว์และสังขารทั้งหลาย และแม้แต่พวกอารมณ์ของกรรมฐ า, านท่านสาชนทั้งหลายจะเห็นว่าสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเรื่องปัจจัยสี่เป็นอารมณ์ของกรรมฐ า, านเป็นที่จะกินไปเป็นอาหารของกายมันไม่คุ้มประโยชน์มันได้น้อยพระเจ้าก็สอนให้มองอาหารพิจารณาอาหาร ขณะรับอาหารขณะรับประทานอาหารขณะรับอาหารมาขณะบริโภคอาหารและหลังจากบริโภคไปแล้วโดยมองเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวอาหารที่นำมาหล่อเลี้ยงร่างกายเรามันเป็นสักแต่ว่าปัจจัยในการดำรงชีวิตเท่านั้นเองเหมือนน้ามันหยอดเครื่องก็ให้รถมันเดินได้เท่านั้นเอง แต่หานั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะเป็นของของว่างเปล่าจากสารแก่นสารเพื่ออะไรเพื่อมาดูที่ร่างกายร่างกายเรามันก็เหมือนกันมาเติบโตมาจากอาหารอาหารนั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะเป็นของที่ว่างเปล่าแล้วเราเองเราเป็นใครเราเรบมีความรู้สึกว่าเราเป็นจากนั้นจากนี้จากนั้นสิ่งนั้นเป็นของเราของเราของเรา หรือว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเพื่อต้องการสร้างอุปนิสัยปัจจัยให้สามารถน้อมนึกเข้ามาหาที่ตัวเราเพแม้เราเองก็เป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตั ว, ไ ม, ตวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขาเช่นเดียวกันคิดอย่างนั้นได้เลยตรงนี้คือปัญญาตรงนี้คือวิ ช, ชาการที่เราเกิดโกรธ ก็เพรรู้สึกว่าเขาประทุษร้ายต่เราถ้าไม่มีเราเราจะรู้สึกว่าเขาประทุษร้ายเราหรือเปล่าก็เปล่าให้เราสังเกตว่าเขานินทาว่าร้ายเราสารพัดแต่เราไม่ได้ยินเราไม่เอาเราเข้าไปรับคำรู้สึกว่าเราถูกด่าถูกเบียดเบียนถูกประทุษร้ายมันก็ไม่เกิดโทษะมันก็ไม่มีอยู่ภายในใจเพราะอาศัยเหตุเพราะอาศัยสิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุ มันตรงนี้ที่จย็มันก็สืบเนื่องมาจากเราความโลภมาเพื่ออะไรก็เพื่อเราความโลภนั้นรู้สึกว่าสิ่งนั้นต้องเป็นของเรารูปนั้นของเราเสียงนั้นของเรากลิ่นนั้นของเรารสนั้นของเราสัมผัสนั้นของเราถ้าไม่มีเราเนี่ยของเราจาเป็นหรือเปล่าถ้าไม่มีเราของเราก็ไม่จาเป็นตอนการที่ไขว่คว้าเพื่อแสวงหาสิ่งที่เป็นของเราก็เพราะเรารู้สึกว่ามีเรา จึงจำเป็นจะต้องมีของเราทั้งสองอย่างทั้งเราทั้งของเราที่จริงไม่เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เพราะเก็บสะสมมากเข้าเรียกว่าสะสมไว้าภายในจิตสันดาษมันก็กลายเป็นตัวเป็นตนมนุษย์เราจึงมีสิ่งที่เราเรียกว่าอหาังการมีศักส์ศีบีญิ่งมีโกรธเกลียดมีไม่พอใจต้องการอานั้นอย่างนี้อย่างนั้ง น้นมาสืบเรื่องมาจากความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนหมายความว่าเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราจบตัว น, นี้พระเจ้าก็เริ่มฝึกมาให้ดูจากอาหารจากเสื้อผ้าจากที่อยู่จากย า, กากแก้ไขแต่พวกอารมณ์กรรมาฐานมันก็แนวนั้นถึงจะเกะิดวัตถิจิงมันก็เรื่องธรมธรมดาธรรมดาพวกสีต่างๆสีเขียวสีแดงสีขาวสีดำ พวกดินน้ำลมไฟอากาศพวกช่องว่างต่างๆ ม, มันก็มีอยู่แล้วเลยธรรมชาติไปที่ไหนเราก็เจออารมณ์นั่นเองแต่เพราะความไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงจึงมีการสยบติดเพลิดเพลินกับสิ่งนั้นพระเจ้าก็ทรงสอนให้เพิ่มวิชาหรือ เ, เพิ่มปัญญาขึ้นในจุดนี้คือใช้ปัญญาที่เรียกว่าพินิจปัญณา ก็เหมือนกับเปิดแสงสว่างขึ้นในจุดนั้นๆเปิดขึ้นเพื่ออะไรเพื่อรู้เห็นทังความจริงที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นภาพของชีวิตเราทํานองคล้ายๆกับเราไปนอนอยู่ ใ, ใกล้กรงของสัตว์ ร, ร้ายในทางกลางความมืดในขณะนั้นอาจจะรู้สึกว่ามีเพื่อนรู้สึกว่าอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยปลอดอันตราย เราไม่รู้ว่าสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรานั้นคืออะไรจริงๆแต่ในจุดนั้นเองเวลาที่ต่างกันมีแสงสว่างมันเกิดขึ้นเราเห็นว่าใกล้ตัวเราที่เราเข้าใจว่าเป็นเพื่อนกลายเป็นสัตว์ ร, ร้ายความคิดที่จะอยู่ที่จะนั่งจะนอนตรงนั้นมันไม่มีแล้วคิดว่าทำยังไงจะหนีได้ โดยตัวเองไม่ต้องเป็นอันตรายจากสิ่งเท้ากันนด้นโลกชีวิตที่ทรงสอนให้เพิ่มพูนปัญญาขึ้นในทุกๆเพื่อต้องการให้รู้เห็นทาความเป็นจริงอย่างน้อยที่สุดเมื่อรู้เห็นทมความเป็นจริงแล้วเนี่ยข้อปฏิบัติระดับศีลเรียกว่าระดับศีลธรรมจัญญามันก็คุ้มครองชีวิตตัวเองไว้ได้ อย่างในกรณีของความโกรธรุนแรงจนถึงก็ลงมือลงไม้ประทุษร้ายกันเราจะเห็นว่าเป็นการกระทําที่เพิ่มบาปแก่ตัวเองความโกรธที่เกิดขึ้นในใจมันก็บาปอยู่แล้วแล้วไปด่าคนอื่นมันก็เพิ่มบาป ท, ที่ปากไปประทุษร้ายคนอื่นก็เพิ่มบาป ท, ที่กายฆ่าเขาตายมันก็เพิ่มบาปให้ทั้งชีวิตตัวเอง ซึ่งจะต้องรับผิดชอบผลจากการความโกรธตัวนั้นในชาติปัจจุบันอาจจะถูกจองจาติดคุกติดตารางหรืออาจจะถูกฆ่าตายตามไปด้วยแต่ถ้าปัญญาเกิดขึ้นในจุดนี้ว่าเรากโกรธเรากโกรธคนนี้ต้องการทาอันตรายแก่คนนี้เราไปแก้ที่เขาเมือนก็สร้างปัญหาแต่ถ้าแก้ที่เราคือแก้ที่ใจเรา ความโกรธมันเกิดตรงไหนมันก็ไฟเกิดตรงไหนแล้วก็ดับตรงนั้นไอ้อย่างอื่นที่สืบเนื่องมาจากไฟมันก็ดับมันเองก็ทำนองคล้ายๆกับต้นไม้ที่เราต้องการทำลายยอดกิ่งใบผลของต้นไม้ก็รุงรังอยู่ข้างปลายแต่ถ้าเราโค่นที่โคนมันก็จบเพราะปัญหานั้นไม่ได้แก้ไกลตัวอย่างเี้ถ้าได้แก้ที่ภายในใจเรา ไม่โกรธต่อผู้โกรธไม่ดา่าต่อผู้ดา่าไม่ปุทุสลายต่อผู้ปุทุสลายไม่ประหารต่อผู้ประหาร น, นั่นคือระดับความคิดแบบศีลธรรมจันทร์แในขณะเดียวกันมันก็ปิดกั้นกระแสะเวรไยแทนที่จะฆ่าเขาปัญญามันก็เกิดขึ้นถามใจตัวเองว่าต้องการจะทําอะไรต้องการจะฆ่าเขาให้ตายปัญญาจะเกิดขึ้นพิจารณาถามต่อไปว่าถ้าเราไม่ฆ่าเนี่ยคนนี้จะตายไหม ก็จะตายเหมือนกันตายตามใจแต่เราอยากให้ตายก็ปล่อยเขาตายเขาเองแต่เราไม่จะเป็นจะต้องฆ่าเพราะจริงๆมันเรื่องธรรมดาแต่ความชั่วนั้นเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทําชั่วให้เราสังเกตว่าเราหยุดความชั่วได้แต่เราหยุดความแก่ไม่ได้เราหยุดความตายไม่ได้เราหยุดความเจ็บไม่ได้เราหยุดความพลั่งรคกไม่ได้แต่ความชั่วเราหยุดได้ ความชั่วที่ยังไม่ทำเราไม่ทำได้แต่ความแก่ที่ยังไม่แกเราหยุดไม่ได้ความตายที่ยังไม่ตายเราหยุดไม่ได้เพราะนั้นคือธรรมดาการทำชั่วจึงไม่ใช่ธรรมดาการทำดีควรจะเป็นธรรมดาราะศีลท่านยังเรียกว่าปกติปกติก็คือธรรมดาธรรมดาของค น, นก็เป็นอย่างนั้น คนเกิดมานั้นไม่ใช่เกิดมาเพื่อประทุสรายทำลายล้างกันธรรมชาติไม่ได้ให้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรมาทำลายล้างกันธรรมชาติให้เหตุผลให้ความคิดให้สติปัญญาให้คนตัดสินปัญหาก็ด้วยความคิดที่มีเหตุมีผลรเราเห็นว่าสินจึงเกิดขึ้นจากความคิดที่มีเหตุมีผลเราถามกลับไปว่าความคิดมีเหตุมีผลอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไร เกิดมาจากแสงสว่างที่ปรากฏภายในใจมันลดละอวิชาลงไปแต่ถ้าตรงนี้อวิชายังไม่ลดอาการที่เราเรียกว่ามิคสัญญีคือมีการข่ามีการประทุษร้ายกันอย่างพรุ่งนี้เป็นวันอิตเตอร์ในาศาสนาคริสต์26 มีลทัทธินิกายหนึ่งในาศาสนาคริสต์ซึ่งเกิดขึ้นหลายปีมานี้บอกว่าพรุ่งนี้โลกจะพินาศพระเยซูจะฟื้นขึ้นมาจะนําพาพวกเขาไปอยู่กับพระองค์แล้วคนที่อยู่ในโลกนั้นจะประสบความทุกข์ท ร, รมารทุนนี้สร้างความทุกข์แก่ตัวเองมาตั้งนานเวลีกาลังกระสับกระส่ายกําลังวิตกกังวลกําลังกลัววันอิตเตอร์ เรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องสร้างขึ้นเป็นเรื่องปรุงแต่งเป็นเรื่องของจินตนาการเป็นเรื่องของการสร้างขึ้นแล้วคนเหล่านี้ก็ไม่เคยใช้บทเรียนเคยทำนายดาวเจ็ ด, ดวงจะชนโลกโลกจะแตกพินาศมาเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วพอถึงวันนั้นก็ไม่มีอะไรนี่ก็ทํานายไปได้นั้นเพราะอะไรเพราะอาวิชาคือความไม่รู้เห็นตามความเป็นจริง ไม่เข้าใจว่าสิ่งทหลายมันเป็นกระบวนการของธรรมชาติธรรมดาของมันถ้าเหมือนคราวจะแตกมันก็แตกมันไม่ใช่ใครบันดาลให้แตกคือเหตุปัจจัยไม่อยู่รวมกันมันก็แตกคนที่มีปัญญาเขาจึงไม่สนใจอะไรขนาดนั้นแต่จะใช้ชีวิตไปในปัจจุบันแสดงหาประโยชน์เพิ่มพูนประโยชน์ให้เกิดขึ้นในปัจจุบันให้ได้ ขานาถ้ามีมันก็ใช้เกิดประโยชน์ถ้าไม่มีมันก็แล้วไปเป็นการอยู่ในแนวของผู้ตื่นบางครั้งพระเจ้าทรงเน้นว่าสาวกของพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ตื่นและตื่นอยู่ด้วยดีตื่นอยู่ทุกเมื่อทั้งกลางคืนและกลางวันเป็นการครองชีวิตอย่างมีแสงสว่างโครงอยู่ภายในใจ ก็สามารถที่จะลดละขจัดบรรเทาความรุนแรงด้วยอํานาจของวิชาลงไปธรรมะปฏิบัติทั้งหมดจึงเป็นเรื่องของการสลายผู้ ก, กิเลสแล้วเมื่อสลายอะไรก็ตามย่อมกระทบถึงอวิชชาและความกิเลสข้อใดข้อหนึ่งลดลงไปก็หมายความอาวิชชานนในเรื่องต่างลงไปด้วยซึ่งก็หมายความอีกด้านหนึ่งก็คือธรรมะได้เพิ่มพูนขึ้นภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้นตามสมควรเกิเหตุเสมอไป ตแต่นี้ไปกราขอให้ตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป